แบบเอกสารหน้าสามสิบนะหน้าหน้าสามสิบถ้าสุตระสูตรนะกล่าวถึงธรรมะที่ควรทำให้แจ้งนี่นะสัจชิกาตปะปาธรรมธรรมที่ควรทำให้แจ้ง คืออภินยาหกนะนะอภินญาหกนี้เป็นธรรมะที่ควรทาให้แจ้งแต่ถ้าเข้าใจอภินญาหกดีก็จะเข้าใจส่วนที่สําคัญอ ย, อย่างหนึ่งคือเข้าใจความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะซึ่งอภินญาหกนี้ข้อสุดท้ายเนี่ยได้แก่อรหั ต, ตผลเนี่ยนะข้อสุดท้ายหมายถึงอรหั ต, ตผล ซึ่งก่อนที่จะบรรลุอรหัตผลเนี่ยนะก็มียานะอย่างอื่นๆที่รองรับยานที่รองรับนั้นไม่ใช่ยานธรรมดาทั่วๆไปแต่เป็นอภิน ญ, ญายานเเป็นยานระดับอภิน ญ, ญา <c oughs> ซึ่งยานระดับอภิน ญ, ญานั้นถือว่าเป็นบาดของการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ถ้าเป็นบุคคลทั่วๆไปก็โดยเฉพาะพระโสดาบันทั่วๆไปก็ไม่ได้มีอภิญญาเป็นบาตอะไรในการแทงตลอดมรรคผลเนี่ยนะพวกกลุ่มปัญญาวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์นี้แบ่งออกเป็นพวกที่เจริญวิปัสสนาล้วนๆเนี่ยนะจนได้บรรลุมรรคผลพวกนี้ก็เรียกปัญญาวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์แบบนี้ชื่อว่าสุขาวิปัสสกเนี่ยนะสุขาวิปัสสกะ ส่วนปัญญาวิมุตต์อีกสี่ประเภทคือได้ปฐมฌ า, านแล้วบรรลุมรรคผลก็เรียกปัญญาวิมุตต์ได้ทุติยฌ า, านได้ตาติยฌ า, านได้จดตุทฌานเนี่ยนะพวกที่ได้รูปฌานทั้งหมดเป็นบาแล้วบรรลุมรรคผลกลุ่มนี้เรียกว่าปัญญาวิมุตต์หมดปัญญาวิมุตต์มีห้าเนี่ยนะอันนะแรกก่อนนะคือสุขาวิปสัสสกคือไม่ได้ฌานเลยปฏิบัติธรรมจนได้บรรลุมรรคผล เทียบเท่าปฐมฌานนี้เรียกว่าสุขาวิปัสสกส่วนผู้ที่ได้ทุติยะปฐมฌานแล้วบรรลุมรรคผลได้ทุติยะฌานแล้วบรรลุมรรคผลนะพวกกลุ่มเหล่านี้เรียกว่าปัญญาวิมุตต์หมดจนถึงได้จดตุทฌานส่วนผู้ที่ได้อารูปฌานเรียกว่าอุปโตภาคาวิมุตต์เนี่ยนะได้อารูปฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ก็ตามเรียกว่าอุปโตภาคาวิมุตต์อุปโตภาคาวิมุตต์นี่มีอยู่ห้า คือผู้ที่ได้ออกจากอาการสารัญจ า, ายตนะและบรรลุหนึ่งออกจากวิญญาณัญจายตนะและบรรลุหนึ่งออกจากอากินัญญายตนะและบรรลุหนึ่งออกจากเนวสัญญาณาสัญญายตนะและบรรลุหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถะอนาคามีที่เข้านิโรธสมาบัติออกจากนิโรธสมาบัติแล้วบรรลุอันนี้นับเป็นพวกที่ห้าปัญญาวิมุตต์มีห้าอุปโตภาคขาวิมุตต์มีห้าเนี่ยนะเรียกว่าพระอรหันต์สิบประเภท น, น, นี่ก็มาดูกลุ่มพระอรหันต์ที่เป็นประเภทอุพโตภาควิมุตคือผู้ที่ได้อารูปฌานโดยลำพังทั่วทั่วไปนั้นอันนี้พูดถึงไม่ใช่คนพิเศษนะพูดถึงทั่วๆไปจะต้องไดอรูปฌานก่อนจึงจะทำอภิญญาไดเนี่ยนะโดยปกตินะจะต้องได้รูปฌานและได้อรูปฌานจึงจะทำอภิญญาได้ คือต้องได้สมาบัตแปดจึงจะทำอภินยาได้นี่นะในบรรดาสมาบัตเนี่ยนะก็แบ่งสมาบัตสมาบัตนี้มีแปดคือฌานที่หนึ่งสองสามสี่เนี่ยนะเนี่เรียกว่ารูปฌปานานะสมาเอา่อ อารูปที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ก็เท่ากับฌานที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดตั้งแต่ห้าถึงแปดนี้เรียกว่าอารูปสมาบัติเทีนี้อารมณ์ของรูปฌปานเหล่านี้ต้องเป็นกะสินเพวกกะสินกะสินก็แบ่งออกเป็นธาตุกะสินกับวั น, นะกะสิน เนี่ยนะธาตุกสิณก็เป็นกสิณดินน้ำลมไฟส่วนวันนะักสิณก็ได้แก่สีสีเขียวสีเหลืองสีขาวสีแดงเนี่ยนะคนที่ได้ชาเ น, นี่ยนะต้องได้กสิณทั้งหมดที่อันนี้นี่ จุดประสงค์ที่เราจะพูดต่อไปคืออภิญญาเนี่ยนะคืออภิญญาหกเนี่ยนะแต่ว่าจะพูดอภิญญาห้าข้อแรกก่อนท่านก็ต้องได้ฌานทั้งแปดและก็กระสินทั้งทั้งแปดกระสินเนี่ยชำนาญหรืออาจจะเพิ่มพิเศษอีกอย่างหนึ่งคืออะโลกรสินเนี่ยนะอะโลกะกะสินเพิ่มเข้ามาอีกอย่างหนึ่งทีนี้คนที่ได้กระสินเนี่ยนะ พูดถึงรูปฌปานก่อนปฐมฌานฌานที่หนึ่งเนี่ยมีกสินเหล่านี้ทั้งหมดเป็นอารมณ์ได้คือสรุปนะฌานที่1 2 3 4สามี่มีกสินทั้ง9ก้ากสินเป็นอารมณ์ได้หมดเลยเียนะทีนี้คนที่จะทำอภิน ญ, ญานเนี่ยพอพอออกจากกสินทั้ง8กสินนี้ก่อนนะคือกสินดินนา้าไฟลมกสินสีเขียวสีเหลืองสีขาวสีแดง แล้วเพิกกสินเหล่านี้คือคือขยายกสินให้กว้างถึงไม่มีที่สิ้นสุดแล้วไม่ใส่ใจที่กสินใส่ใจที่อากาศที่ไม่มีที่สิ้นสุดอันนั้นก็ทําฌานให้เกิดก็เป็นอาการสานันจายตนะทีนี้พอออกจากอาการสารนันจายตนะก็มากําหนดไอตัวอาการสารนันจายตนะทําให้ฌานเกิดก็จะเป็นวิญญาณนันจายตนะทีนี้พอได้วิญญาณนันจายตนะก็ไม่ใส่ใจว่าจิตเจตสิกมีอยู่ ก็นับถิกิจิจิอะไรหน่อยหนึ่งก็ไม่มีก็จะได้อากินจัญญายตนะทําให้ได้ฌานทีนี้ก็กําหนดอากินจัญญายตนะนั้นก็จะทําให้ได้เนวะสัญญาณาสัญญายตน ะ, ะโดยลําพังทั่วไปเขาต้องเจริญฌานเหล่านี้ให้ชำนานเห็นไหมแล้วก็สับฌานเห็นไหม คือต้องวัดฌานทั้ง8ดเนี่ยต้องชำนาญเป็นอย่างยิ่งคือตั้งกัน1ถึง8ดเนี่ยเข้าโดยลำดับได้ น, นะเข้าแบบถอยหลังก็ได้ น, นะจาก8ย้อนกลับไปหาหนึ่งอ่นนะค่อยๆลดลดลดค่อยๆห ย, ย, ยาบมาเรื่อยๆได้แล้วก็เข้าสับฌานก็ได้เช่นหนึ่งสามห้าเจ็ดแล้วก็เข้าแดเข้าแดแล้วก็ย้อนกลับมาหกสี่สามเอ่อหกสี่สาม สองหรือหนึ่งหนึ่งสองสามสี่คือเข้ายังไงก็เข้าได้พร้อมที่จะเข้าพร้อมที่จะออกและเข้าในระยะเวลานานเท่าไหร่ก็ได้เนี่ยจะเข้าเจ็ดวันสามวันหรือภายในวินาทีเดียวก็ได้เนี่ยนะอย่างชำนิชำนาญก็บอกว่าผู้ที่ถึงที่สุดของการกระทำอันนี้นะถ้าเป็นสาวก ค, คือพระมหาโมคคลานะเนี่ยนะทันทีเลย ผู้ที่ชำนาญถึงที่สุดหรือพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าะจะจะชำนาญที่สุดในสิ่งนี้แล้วก็การเข้าฌานเหล่านี้นะก็ต้องมาสับกระสินด้วยเนี่ยนะเมื่อกี้นี้พูดถึงการเข้าฌานสลับฌานใช่เข้าสลับฌานทีนี้คนที่จำเริญชำนาญเขาจะเข้าสลับกระสินเนี่ยนะเช่นว่าเข้ากระสินดินสมมติว่าปฐมฌานเข้ากระสินดินทุติยฌานเข้ากระสินน้ำอย่างเงี้นยนะ ก็เรีกว่าสลับกสินได้สลับชาญกับสลับกสินเนี่ยนะต้องชํานาญพวกนี้มากๆจึงจะทำริดดีอ่างนั้นเถอะเพราะว่าจุดประสงค์ของจะทำริดนะถ้าไม่ได้ขนาดนี้ก็ทำริดยากเนี่ยนะมันก็เข้าสลับถามว่ากสินดินเนี่ยมีประโยชน์คือเดินบนอากาศได้เนี่ยนะก็คือทําอากาศให้แข็งเหมือนดินแล้วเดินได้ ถามว่ากสินาน้ำเนี่ยมีประโยชน์ก็คือจะได้ดําดินได้เนี่ยนะให้ดินเนี่ยเป็นเหมือนน้าทะลุฝาทะลุกําแพงเนี่ยเข้าไปเหมือนกับทะลุน้ําไปได้ก็ไปเหมือนลมก็ทําให้เร็วนี่นะไปเร็วอ่ะเหาะได้ใ ห, ให้ให้มันไปไวอย่างเงี้ยนะกสินไฟก็เช่นอธิษฐานเวลาตัวเองมรณภาพไปก็ไม่ต้องให้ใครมาเผาให้เผาเองเนี่ยนะก็ประโยชน์ก็จะมีเหล่านั้น น, นะเขาก็จะชนานาญในการทํากสินส่วนพวก กระสินสีทั้งหลายประโยชน์ก็เช่นกระสินสีเขียวเนี่ยมันทำให้มืดได้เนี่ยนะอยู่ๆแล้วอากาศมันมันสว่างใช่ไหมพระองค์ก็ทำก็คือเข้านีละกระสินแล้วเปล่งให้มันมืดทั้งโลกเลยเนี่ยนะทำได้ถามว่ามีไหมที่ทำมีก็เพื่อนนางวิสาขาเนี่ยไปกับ น, นางวิสาขาห้าร้อยาแต่เขาติดสุรากันมากเพื่อนเขาเนี่ยนะก็ติดเล่ากันวันหนึ่งเนี่ย ก็ชวนนางวิสาขาไปวัดไปก็พกเหล้ากันไปนีนะนางวิสาขาเข้าไปกราบพระก่อนพวกนางก็ไปดวดเหล้ากันเต็มแล้วก็เมาขึ้นไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเนีนะเสร็จแล้วก็มารก็เข้าแทรกเนี่ยนะจะร้องรําทําเพลงต่อหน้าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เลยเข้านีรศสินเนี่ยนะแล้วก็บรรดาลให้มืดหมดเลยพอมืดแค่นั้นนะมัสางเมาหมดเลยอยู่กลางวันดีๆมันทํามืดทันทีเลยนะก็สางเมาพระองค์ก็แปล่งรัศมีให้เห็นแล้วก็แสดงธรรม กล่มนั้นก็จะบรรลุเนี่ยนะอันนั้นก็เข้านีลกักษณ์ศิลกระสินสีเหลืองก็พวกนี้ทําให้เป็นทองได้เนี่ยนะกน็เนรมิตพวกทําให้เป็นทองเป็นอะไรนี่ได้กสินสีขาวเนี่ยนะอากาศมืดหรือกําลังมืดอยู่ทําให้สว่างได้เนี่ยนะพวกกสินสีแดงก็ไม่ทราบว่าประโยชน์ก็เป็นยังไงแต่ว่าพวกพวกนี้ทั้งหลายแหละก็คือทําเน้นอภินิหารทั้งหลายเนี่ยนะเน้นอิทธิ อ, อิทธิคือฤทธิ์เนี่ยนะก็จะบวกกับคำว่าปาฏิหารปาฏิหารตัวนี้เน้นแปลว่ากำจัดเนี่ยนะกจัดปฏิปักษ์ะทําเช่นว่าส่วนทั่วๆไปที่ต้องแสดงฤิแสดงอะไรก็เนื่องจากกำจัดความไม่มีศรัทธาหรือกำจัดพวกเดรัจฉทั้งหลายก็เลยต้องแสดงเรียกว่าตัวอิทธิเนี่ยคือฤทธิ ปาฏิหาริย์เน้นที่การกำจัดเนี่ยนะกำจัดปฏิปักษ์กำจัดค่าศึกัตรูออกไปกำจัดนี้ไม่ได้ฆ่านะเออพวกนี้ก็จะเป็นบาทของของกลุ่มฤทธิ์ทั้งหลายเนี่ยนะสรุปว่าสองอย่างนะคือสับสมาบัติให้เก่งอย่างหนึ่งแล้วก็ทำกระสินสลับกระสินให้ชำนานเนี่ยนะพวกนี้ทั้งหมดอนุภาพของสมถะนะ ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของสมถะแต่คนที่จะเจริญสมถะอันนี้ต้องสลับกับการเจริญวิปัสนาวิปัสสนามันมีอยู่สองกลุ่มวิปัสนาเพื่อวิวัตตะกับวิปัสนาที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อวิวัตะมีอยู่สองอย่างเวิปัสนาทีเ่เป็นไปเพื่อทำริษย์เฉยเฉนะเป็นวัตตะ คือวิปัสนาที่เจริญถึงความไม่เที่ยงกับความเป็นทุกข์ของสังขารทั่วๆไปเนี่ยนะเพราะพวกนี้เวลาทําตาทิพย์ไปแล้วเนี่ยมันจะเห็นยักษ์เห็นอะไรทั้งหลายแหละซึ่งมันน่ากลัวถ้าเจริญอนิจจังกับเจริญทุกขังเอาไว้มากๆเวลาเห็นยักษ์เห็นผีเห็นอะไรเห็นก็จะไม่กลัวเนี่ยนะก็ด้วยอนุภาพของวิปัสนาเนี่ยนะคือการพิจารณาถึงความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ของ สังขารทั่วๆไปเพราะนั้นสีนอกาศาสนาเขาพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงกับความเป็นทุกข์ของสังขารได้ในสุมเมศกฐานเนี่ยอธิบายไปเนี่ยนะว่าจะต้องพิจารณาอานิจจังทุกขังให้ได้เพราะไม่งั้นจะกลัวพอไปเห็นสัตว์ในอบายไม่ใช่ว่าน่ารักอะไรเนี่ยนะก็ ผลของโทสะเนี่ยนะตอนโกรธมันก็ไม่งามอยู่แล้วนะผลของความโกรธจะเป็นงามได้ยังไงนั้นต้องไปดูรูปของสัตว์ประเภทนั้นๆก็ต้องบางคนเนี่ยจะกลัวก็เวลากลัวก็อาศัยวิปัสสนาเนี่เข้ามาช่วยเนีย่ยนะคือปัญหาถ้ากลัวแล้วนะพวกฤทธิ์พวกอะไรมันก็จะเสื่อมง่ายอยีกเหมือนกันนะครวิปัสสนาส่วนนั้นก็ช่วยแต่ถ้าวิปัสสนาที่เป็นไปเพื่อออกจากวัตฏะก็จะอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะก็กลุ่มอนุปัสสนาเนี่ยนะที่ มาจากการทําปริญญาเป็นอย่างดีแล้วก็พิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงอันนั้นก็จะเป็นกลุ่มวิปั ส, สนาที่เป็นไปเพื่อวิวัตะมันวิปั ส, สนาก็แบ่งออกเป็น2 ส, ส่วนเนี่ยนะทีนี้พวกที่ทําอภิญญาได้เนี่ยนะอย่างข้อแรกอิทธิวิธีอิทธิวิธีอันนี้บอกว่าไม่ใช่ฤทธิ์ของพระอริยะนะซึ่งปุตุชนก็ทําได้ไม่ใช่ฤทธิ์ที่เป็นอริยะ ส่วนฤทธิ์ที่เป็นอริยะนี้หมายถึงฤทธิ์ประเภทปฏิกูลจริงๆแล้วปฏิกูลสําคัญว่าไม่ปฏิกูลได้เนี่ยนะของปฏิกูลอยู่ทําว่าไม่ปฏิกูลก็ได้ฤทธิ์ประเภทนั้นเป็นฤทธิ์ของพระอริยะอฤทธิ์นั้นเป็นไปกับสมถะวิปัสสนาเนี่ยนะที่ท่านสันเสริญส่วนฤทธิ์แบบนี้พระองค์ไม่สันเสริญเลยฤทธิ์ที่จะกล่าวต่อไปเนี่ยนะที่ไม่สันเสริญเนี่ยเพราะอะไรคือมีส่วนเสียเหมือนกัน ส่วนเสียก็คือถ้าจะว่าไปนะมันเป็นวิชาเหมือนกับเล่นกลดีๆนี่แหละคือถ้าเพื่อประโยชน์ให้คนดูเนี่ยศรัทธานะถ้าจะว่าไปนะเพื่อให้คนดูศรัทธาแต่ว่ามันไม่ได้มีผลอะไรกับคนดูจริงๆอะไรเลยเช่นว่าเอ้าท่านเหาะได้ก็เหาะกับเรื่องของท่านเเราก็ยังเดินดินย่าตอกอยู่เท่าเดิมนั่นแหละถ้าจะว่าให้ตรงกนะ ก, ก็เป็นลักษณะนั้นเพราะนั้นพราหมณ์บางคนเนี่ยเขาบอกเลยว่า อิติวิธีนี้ปรากฏแก่ข้าพราะองค์เหมือนมายาเนี่ยนะเหมือนเหมือนมายาเท่านั้นเองเนี่ยนะก็เขาเล่นกลให้ดูเท่านั้นน่ะนะแั้วก็ใครอยากดูเรื่องอิติปาฏิหารก็ดูหนังเยอะๆมันก็จะเห็นละก็ก็คือแสดงให้ดูได้เท่านี้แหละก็เท่านั้นจริงๆเนี่ยนะเช่นว่าคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ทําให้ปรากฏก็ได้ทําให้หายก็ได้ทะลุฟ้า กำแพงภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ผุดขึ้นดำลงในแผ่นดินเหมือนไปในน้ําก็ได้เดินบนน้าไม่แตกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได้ลูบคําพระจันทร์พระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์เมียรูปภาพมากด้วยฝ่ามือก็ได้ใช้อํานาจทางกายไปตลอดพรห ม, มโลกก็ได้เนีย่ยนะก็อันนี้เกี่ยวกับเรื่องอิทธิวิธีเนีย่ยนะซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วโลกสันนิวาสที่ศรัทธาริษแบบนี้เนี่ยมีมากเนีย่ยนะ มีมากเพราะฉะนั้นก็ฤธิเหล่านี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งความงมงายเหมือนกันอย่างพระเทวทัตนี้อาศัยฤทธิ์คืออิทธิวิธีอันนี้แหละที่ไปเกลี้ย ก, กล่อมพระเจ้าอาชาตศัตรูคือสมัยสมัยที่พระเจ้าเออพระเทวทัตเนี่ยคิดการใหญ่หมายคืาว่าตอนที่แกมาบวชนะเ พ, นเพื่อนเเข้าดังกันหมดเลยตัวเองเนี่ยเงียบอยู่คนเดียวเช่นว่า ในเมืองราชจะคึคนก็ไปถามหาว่าเอ๊พะอนอนอพระคุณเจ้าอานนท์อยู่ที่ไหนพระคุณเจ้าอนุรุทธะอยู่ที่ไหนพระคุณเจ้ากิมิละอยู่ที่ไหนเงี้ยนะเขาก็ไปถามหาแต่พระอื่นๆทั้งหมดเลยไม่มีใครถามหาพระเทวทัตเลยเอ๊ะเรามันเป็นยังไงไม่มีใครถามหาเลยก็ในน้อยใจอยู่เหมือนกันเอ๊ะจะหาใครศรัทธาเราดีเนี่ยนะหาคนอุปถัมภ์คิดไปคิดมาก็บอกเออพระเจ้าอาชาติศัตรูนี่แหละพระเจ้าพิมพิสารก็ไม่ได้แล้วเป็นพระโสดาบัน นะก็พระเจ้ชาชาติศัตรูเนี่ยมีเขาปลุกขึ้นหน่อยก็เลยวันหนึ่งพระเจ้ชาชาติศัตรูนั่งอยู่พระเทวทัศน์ก็เลยเนรมิตเป็นกุมารเป็นเด็กะนะเป็นรูปเด็กแล้วก็มีงูเนี่ยเป็นสังวานเนี่ยพาดไปนั่งบนตักพระเทว์พระเจ้าชาติศัตรูนี่กลัวมากพอรู้ว่าพระเจ้ชาชาติศัตรูกลัวมากพระเทวทัศน์ก็แปลงคือคืนร่างเป็นพระพิสุตามเดิมแล้วบอกอาตมาเนี่ยพิสุเทวทัศน์เหัืนกันจริงๆคําว่าเทวทัศน์นี่เป็นชื่อดีนะ แปลว่าเทวดาให้มาทัตแปลว่าให้เทวะแปลว่าเทวดานะเทวทัตแปลว่าผู้ที่เทวดาให้มาเหมือนกับพรหมทัตอหะนะพรหมให้มาเงี้ยนะจริงๆแล้วเทวทัตเนี่ยชื่อดีแต่ว่าคนชั่วไปใช้ก็เลยชื่อนี้เลยเสียเลยคือหาชื่อยากนะชื่อเทวทัตประเทศไทยนี่มีไหมไม่มีใครเรียนแบบเลยชื่อนี้นัะเพราะว่าคือคนไม่ดีคนหนึ่งไปทําก็เลยคนอื่นไม่กล้าตั้งชื่อตามเลยนะชื่อเสียเลยคนนี้ ทีนี้พระเจ้าชาติศัตรูก็เลื่อมใสามากพอเลื่อมใสก็อุปถากต์บำรุงเป็นอย่างดีเนี่ยนะตอนหลังพระเทวทัตคิดจะฆ่าพระพุทธเจ้าเป็นต้นฤทธ์ก็เลยเสื่อมฤทธ์แต่ว่าพระเจ้าชาติศัตรูก็ไม่ได้เลิกศรัทธาอะไรตอนหลังกข็ขออำนาจพระเจ้าชาติศัตรูตั้งหลายเรื่องเพื่อที่จะไปฆ่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นที่มาของธทำโลหิตตุบาทบ้างตอนหลังก็ทําสังฆเภทมัง่งทำมานันตริยกรรมได้หลายข้อหนักๆทั้งนั้นพระเทวทัตทําได้ อันไริเร์เหล่านี้ตอนหลังพระเทวทัตก็เสื่อมเนี่ยนะบางคนที่ได้ฌานแล้วก็ฌานทั้งหลายสำหรับบางคนก็เป็นหาหนาภาคิยะเนี่ยนะ ก, ก, ก็รักษาไม่ได้คือคุณเหล่านี้อภิญยาทั้งหลายเหล่านี้ถ้าไม่ชำนาญจริงๆถ้าจะว่าเปราะบางก็เปราะบางมากเนี่ยนะคือของดีๆจริงๆแล้วก็ค่อนข้างเปราะบางะนะถ้าว่าไป อย่างสมัยก่อนๆเนี่ยที่เขาทำฤทธิ์กันได้มากมากฤทธิ์เสื่อมก็มีเยอะเนี่ยนะอย่างพิกษุรูปหนึ่งอดีตท่านก็เคยมีฤทธิ์อย่างมากเสร็จ แ, แล้วตอนหลังก็ต้องศึกษาลาเพศไปก็ไปทำอาชีพที่เรียกว่าเผาถ่านเนี่ยนะก็ทำอาชีพเผาถ่านไปอีกเจ้าหนึ่งก็เคยได้ฤทธิ์ฤทธิ์เสื่อมก็ไปทำอาชีพถอผ้าไปเนี่ยนะ ก็ริดเหล่านี้ถ้าไม่ได้ริดที่กับเ ก, เกิดจากการเจริญกายยคตาสติเนี่ยนะโดยเฉพาะกลุ่มอสุภะกรรมฐานจริงๆแล้วเสื่อมง่ายเนี่ยนะแต่ถ้าแต่ที่จะกล่าวเนี่ยที่กล่าวอยู่นี้เป็นริดของพระอรหันต์เลยไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยนะพระอรหันต์ได้แล้วก็ไม่มีเสื่อมเนี่ยนะเพราะเหตุให้ท่านเสื่อมไม่มีเนี่ยนะไม่มีความประมาทเป็นเหตุให้เสื่อมจริงๆแล้วความเสื่อมทั้งหมดนี้เกิดจากความประมาท ทีนี้ต่อไปนะหูทิ่เนี่ยนะได้ยินเสียงที่เป็นทิพย์กับเสียงที่เป็นมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและอยู่ใกล้ด้วยทิพโสตธาตุอันบริสุทธิ์ล่วงโสดของมนุษย์เนี่ยนะก็ได้ยินเสียงแม้กระทั่งที่ไกลขนาดไหนเสียงเหล่านี้นะถ้าพูดแบบสมัยก่อนๆจริงๆก็เป็นของน่าอัศจรรย์มากนะแต่พอมองมาเป็นสมัยนี้ไม่ได้น่าอัศจรรย์อะไรเลย เพราะว่าพวกโทรศัพท์เป็นต้นนะมันก็คือคือความสามารถก็คล้ายๆกับโทรศัพท์นั่นแหละเนี่ยนะนั้นถ้าจะว่าไปในแง่ในยุคนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์อะไรมากนะักพวกโทรศัพท์เป็นต้นก็ใช้ได้เกลื่อนทั่วๆไปกับประชาชนหมู่ใหญ่อะนะแต่นี้ของเราจะได้ยินเสียงมนุษย์กันเองอะนะไม่ค่อยได้ยินเสียงของเทวดาของอมนุษย์เสียงของสัตว์ในอบายเป็นต้น นี้รีบอย่างที่สก็คือการกําหนดรู้วาระจิตของผู้อื่นเห็นไหมกำหนดรู้วาระจิตของผู้อื่นนะถ้าสายใจไปเนี่ยด้วยอนุภาพของอเจโตปริยานอันนี้หรือปรัจิตะการรู้วาระจิตของผู้อื่นเบากว่าพอสายใจปั๊บเนี่ยรู้เลยว่าอดีตเจวันเนี่ยคิดอะไรมาบ้างอีกเจวันข้างหน้าจะคิดอะไรไปบ้างเห็นไหมด้วยด้วยอนุภาพของเจโตปริยานเนี่ยนะย่งมีอยู่ครั้งหนึ่งพระ วันวันนั้นเป็นวันอุโบสถสิบห้าค่ำเป็นวันลงปาติโมกสมัยนั้นก็ประมาณสักพระพุทธเจ้ามีพระชนที่เรียกว่ายังที่พระองค์ยังแสดงโอวาทปาติโมกอยู่ทีนี้ในวันนั้นเนี่ยพระองค์ก็ไม่สวดปาติโมกสักทีหนึ่งคือคือไม่แสดงโอวาทปาติโมกเนี่ยนะซึ่งทั้งทั้งที่พระพิสุก็พร้อมกันหมดแล้ว พระองค์ก็นั่งนิ่งอยู่จนถึงสี่ทุม่มเนี่ยนะปฐมยามผ oriented, พพ faculty, ม er, ening, ม่านไปพระอนนก็บอกว่าปฐมยามล่วงแล้วพระเจ้าข้านิมนตแสดงปาติโมกเถอะพระองค์ก็ไม่แสดงพอผ่านมัชชิมยามคือตีสองผ่านไปพระองค์ก็ไม่แสดงอีกท่านโนราธนาก็ไม่แสดงเสร็จแล้วก็พอปัชิมายามพระองค์ก็ไ <Hot> ม <woh> ่แสดงอีกเสร็จแล้วพอสว่างนะพระอนุนบอกว่าตอนนี้สว่างแล้วพระเจ้าข้านิมนตแสดงปาติโมกเถอะ องค์ก็บอกว่าบริษัทไม่บริสุทธิ์เนี่ยนะพระมหาโมกขลานะก็ดูเอ๊ะพระพุทธเจ้าตรัสว่าบริษัทไม่บริสุทธิ์นี่แสดงว่ามันต้องมีสักคนสักหนึ่งรูปแหละที่อยู่ในนี้เนี่ยนะก็ตรวจวราระจิตของพระพิสุททั้งหมดเนี่ยนะก็ไปเจอรูปหนึ่งอ้าวเน้านายนี่เนี่ยนะไม่ใช่สัมณะปฏิญาณว่าเป็นสัมณะเนี่ยนะเป็นผู้ที่ชุ่มด้วยกิเลสอ่ารสชาติดังอยากยื่อท่านก็เดินไปใกล้ๆบอกอาวุโส พระพุทธเจ้ารู้ท่านแล้วขอให้ท่านออกไปเถอะมันก็เลยนั่งนิ่งเฉยเนี่ยนะบอกครั้งที่สองครั้งที่สามก็เฉยเสร็จแล้วพระโมคคัลลานะก็ฉุดออกไปนอกประตูแล้วก็ลั่นดานพงบอกแมหน้าอาัศาจรรย์เหลือเกินอาัศาจรรย์แบบตําหนี่นะว่าโอ้โหทำไมมันหน้าด้านขนาดนั้นอย่างนั้นเถอขนาดเขาพูดขนาดนี้แล้วก็ยังยังทนอยู่อย่างนั้นแหละเนี่ยนะอันนี้ก็วาระจิตเนี่ยรู้ได้เจ็ดวันเลยก่อนหน้านี้กับหลังอีกหน้านี้เจ็ดวันจะเป็นยังไงเนี่ยนะ อันนี้ทั้งหมดนี้ก็คือเหมือนกับจิตตานุปัสสนานั่นเองอะนะจิตมีราคะเกี่ยวกับเรื่องราคะนะจิตเป็นไปกับโลภะจิตเป็นไปกับโทสะจิตเป็นไปกับโมหะจิตเป็นฌานจิตหดหูจิตฟุ้งซ่านจิตเป็นฌานหรือว่าจิตไม่เป็นฌานจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าหรือว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตเป็นสมาธิหรือไม่เป็นสมาธิเนี่ยนะจิตหลุดพ้นหรือว่าจิตไม่หลุดพ้นก็คือจิตมาพิจารณาถึงจิต ในแง่นี้นี่เน้นการพิจารณาถึงว่าเขาคิดอะไรยอยู่เนี่ยนะถ้าผู้ที่มีอภินยาแบบนี้เนี่ยนะเป็นบาตของการเจริญวิปัสสนานะถ้าจะว่าไปนี่สงสัยอย่างดีเยี่ยมเลยนะเนาะเห็นจริงๆแล้วก็มาเจริญวิปัสสนาแล้วก็ไข่ครวนเป็นบาตของการทำปริญญาเนี่ยนะก็ก็นับว่าเป็นอย่างดีละแต่จริงๆแล้วคนที่ได้ฤทธ ถึงรู้จิตแบบนี้ก็ไม่ใช่จะไปเจริญวิปัสสนานะบางพวกก็ไม่มีอะไรเนี่ยนะไม่ได้เป็นบาตของการไปเจริญวิปัสสนาอะไรสําหรับบางกลุ่มถามว่าทำไมจึงเป็นแบบนั้นนะ่ะนะน่าจะเอาไปเจริญวิปัสสนาเพราะว่ารู้ว่าระจิตของใครเป็นยังไงแล้วจะได้เอาไปเจริญเชื่อก็าถามคุณหมอดูว่าเอ็กซเรย์เสร็จแล้วนะเอาเป็นบาตของการเจริญวิปัสสนาไหมล่ะพิจารณาตับไตไส้ปอดดูกระดูกดูเบ็ดเสร็จหมดแล้วมาเจริญวิปัสสนาต่อไหม ก็บอกว่ามีบ่อยไหมคุณมอไม่บ่อยเลยนะ <laughs> พอพอตรวจตรวจใช้สรีระหมดแล้วนะตรวจตั้งแต่หัวตรวจเท้าหมดแล้วนะน่าจะเป็นบาตรของการไปเจริญนิพพสนาเป็นอย่างนี้นะแต่ไม่ใช่หรอกไปเรื่องอื่นหมดนี้ก็เหมือนกันนะผู้ที่รู้ว่าระจิตก็ไม่ได้เอาเป็นบาตรเรื่องวิปัสสนาอะไรทเท่าไหร่หรอกสาหรับบางพวกกันนะก็รู้แล้วก็เป็นที่ตั้งของอย่างอื่นๆไปเนี่ยนะ ก็เทวดานี่เขาคิดอะไรเขารู้นะฝ่ายหนึ่งคิดอะไรอีกฝ่ายหนึ่งคิดอะไรเขาก็รู้กันแต่ว่าก็ไม่ได้เอาไปเจริญวิปัสนาอะไรเนี่ยนะก็พื้นฐานว่าเห็นภัยในวัฏฏะมากน้อยเพียงใดถ้าไม่เห็นภัยแล้วก็ยังไงก็ไม่เอาไปเจริญวิปัสนาอยู่ดีอ๋อมีได้นะนนนนนนครับอภนะิญญาห้านี้ปุตุชนมีได้หรือสีทั้งหลายมีได้เห<ะ>็นไหม หลุดพ้นในที่นี้คือหลุดพ้นด้วยสมถะกับวิปัสสนาเนี่ยนะแก่ธาด้วยอนุภาพของอภิญญาเนี่ยนะอภิญญาของปุุชนไม่สามารถรู้จิตของพระโสดาบันได้โสดาปฏิมักผลนะพระปุตชนรู้ไม่ได้พระโสดาบันเนี่ยอภิญญาของพระโสดาบันจะไม่รู้มักผลของพระสะกท า, าคามี อภิญญาของพระสะกท า, าคามีจะไม่รู้มรรคผลของพระอนาคามีสรุปแล้วพระระยะเบื้องต่ําจะไม่รู้เบื้องสูงต่อไปเนี่ยนะถึงอภิญญานะแต่ถ้าเป็นของพระอาหารหันต์แล้วก็รู้ได้หมดว่าใครเป็นอะไรคำวมจิตหลุดพ้นถ้าจิตตานุปัสสนาเน้นแต่ทางข้าววิมุตติกับวิขมพนาวิมุตติแต่ถ้าตรงนี้เน้นทั้งทั้งโลกิยะทั้งโลกุตระหมดเลยนะเรู้วาราจิตแบบนี้ ที่ทั่วไปท่านก็ไม่ได้เน้นไปที่เห็นอุปาทถีติพังค่าอะไรนะ ก, ก็ดูในธรรมสังคีนีอัตถกาถาก็ไม่ได้ว่าถึงอภิญญาไปรู้วาราจิตก็ไม่ใช่ว่าไปเห็นอุปาทถีติพังค่าของคนนั้นแบบนั้นนะทีนี้ต่อไปนะว่าระลึกชาติก่อนได้เป็นอย่างมากเนี่ย น, นะอันนี้เป็นยานที่ค่อนข้างเกื้อกูลต่อวิปัสสนาเป็นอย่างมากคือการระลึกชาติเนี่ย น, นะจะเห็นภายในวัฏฏะหรือไม่ก็ ก็สังเกตจากตรงนี้คือการระลึกชาติได้หนึ่งชาติสองชาติสามชาติ4ี่ห้าห0สิบร้อยพันแสนตลอดสังวัตกรมวิวัตกรรมเนี่ยว่าในชาติโน่เนี่ยเราชื่ออะไรมีโคตอะไรมีผิวพรรณเป็นยังไงมีอาหารสวยสุขทุกเป็นยังไงแล้วในชาตินั้นมีอายุเท่าไหร่แล้วตายจากชาตินั้นก็ไปเกิดในชาตินั้นนะหลังจากนั้นไปมีชื่ออะไรมีโคดมีนามสกุลมีผิวพรรณมีสุขมีทุกข อายุเท่าไหร่ตายจากชาตินั้นแล้วไปเกิดเป็นยังไงต่อไปเนี่ยนะผู้ที่ระลึกชาติได้เนี่ยก็เป็นฐานของการเจริญวิปัสสนาเป็นอย่างดีเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าเห็นถึงความไม่เป็นสาระของของของชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยนะว่าเอ๊ะมันก็ก็เท่านั้นนะนะถึงจะสุขมันก็เท่านั้นถึงจะทุกข์มันก็ก็เท่านั้นมันก็ไม่ได้จีรังยั่งยืนมั่นคงถาวรอะไรถ้าตา ถ้าลองนะของเราทุกคนเนี่ยถ้าลองนั่งระลึกย้อนถึงวันคืนของเราทั้งหมดทุกคนที่ผ่านมาตั้งแต่เด็กมาจนถึงจนถึงจวบ ป, ปัจจุบันเนี่ยนะตั้งแต่เด็กๆเลยนะแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันเช้าสายบ่ายคำ่ำเช้าสายบ่ายคำ่ำเช้าสายบ่ายคำ่ำก็ไล่ไปอย่างงี้นะแล้วก็กิจกรรมหลักๆมีอะไรก็กินดื่มเคี้ยวริ้มเนี่ยนะเดียวกับเรื่องการปรณิบัติรับใช้สรีระแต่ละวันผ่านไปเดี๋ยวก็ป่วยบ้างเดี๋ยวก็สุกบ้างนะ นั่งนะให้ให้แต่ละวันทุกวันทุกวันเอามาทบทวนให้หมดนะอันนี้ของชาตินี้นะถ้าเราเระลึกชาติที่แล้วด้วยนะนนก็วันคืนเช้าสายบ่ายค่ำเช้าสายบ่ายค่ำก็อยู่อย่างเงี้ยถ้าถอยหลังได้เป็นล้านล้านล้านล้านล้า น, านชาติจะไปมีอะไรนะจะว่าไปมันก็มีเรียกว่ามีแต่ว่าสิ่งที่ทําไม่รู้จักจบจากสิน้นก็เหมือนกับสมมตินะถ้าเป็นแม่ครัวก็นึกถึงการล้างจานนะอ้าวเอาเรียบเามากินกันนะกินเสร็จจะทําอะไรอาจจะได้ไปล้างจานและข้อมว่าย่งไง ความเสร็จทำง่ายเอาจะไดเอามาใส่กินแล้วจะได้ไปล้างอีกล้างเสร็จทำง่ายมาความอี ก, ก น, นะก็ล้างยิ่กว่าจานจะแตกกันไปข้องนึงแตกก็ทำไงซื้อมาใหม่ล้างไปก็ทำอยู่อย่างนี้นะถ้าถ้าคิดไปนานๆจริงๆอ่ะเอ๊มันได้ประโยชน์อะไรบ้างอมันสนุกตรงไหนเนี่ยมันน่าเพลิดเพลินตรงไหนไอสิ่งที่ไม่มีจบนม่สิ้นอย่างเงี้ยนะ มันก็ไม่มีจบเนี่ยนะถ้าแล้วมันไล่ๆับโกดชาติด้วยแล้วด้วยมันก็ไม่ได้มีสาระอะไรเลยแล้วถ้าหากว่ายังละอวิชาไม่ได้ยังถอนตันหาไม่ได้แล้วมันจะเป็นอย่างนี้แล้วเมื่อไหร่มันจะจบจะบอกมันไม่สิ้นสุดหรอกสหายเอ้ยอย่างนั้นนะคือมันไปเรื่อยอะอย่างนั้นเถอะมันไม่มีจบมีสิ้นเช้าสายบ่ายค่ำเช้าสายบ่ายค่ําถึงตายแล้วมันไม่ได้จบอะไร